คำพีวิสุทธิมัคปริเชตที่สิบเอ็ดจะตุธาตวะวัฏฐานกถาบร น, นี้ถึงลำดับการแสดงวิธีเจริญจตุธาตวะวัฏฐานซึ่งทรงสแสดงไว้ว่าวะวัฏฐานคือการกำหนดอันหนึ่งรองจากอาหารเรปฏิกุลและสัญญาลงมาดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่ากำหนด คือการสันนิษฐานด้วยสามารถเข้าไปกำหนดสภาวะการกำหนดธาตุทั้งสี่ชื่อว่าจตุธาตุ ว, วัฏฐานคําว่าธาตุมนสิการคือฝ่ายใจธาตุคาว่าธาตุกรมฐานคือกรมฐานมีธาตุเป็นอารมณ์คําว่า จตุธาตุวะวัฏฐานได้แก่การกำหนดธาตุสี่นี้โดยใจความเป็นอันเดียวกันกรมมัฐานคือธาตุวะวัฏฐานนี้นั้นมาแล้วโดยอาการสองอย่างคือโดยย่อหนึ่งโดยพิสดารหนึ่งโดยย่อมาในมหาสติปทานสูตรโดยพิสดารมาในมหาหัตถิปโทปมสูตรในราหุโลวัสูตร และในธาตุหรือธาตุวิพังคสูตรก็การกำหนดธาตุสี่นั้นมาแล้วโดยย่อในมหาสติประธานสูตรด้วยสามารถภิกษุผู้เจริญธาตุกรรมฐานผู้มีปัญญาแก่กล้าอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ขยันค่าโคแล้ว พึงนับแบ่งเนื้อออกเป็นชิ้นชิ้นนั่งในทางใหญ่สีแพร่งฉันได้ภิษุทั้งหลายภิกษุย่ยอมพิจารนากายนิลตามที่ตั้งอยู่แล้วตามที่ดำรงอยู่แล้วโดยทาตว่าในกายนี้มีปฐวีาธาตุคือาธาตุดินอโปาธาตุคือาธาตุน้าเตโชาธาตุคือาธาตุไฟวาโยาธาตุคือาธาตุลมฉันนั้น ความแห่งพระสูตรนั้นว่าเปรียบดุดนายโคคาดคือคนฆ่าโครหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ฉลาดนั้นแหลผู้อันเขาจ้างแล้วได้พัดและบำเหน็จฆ่าแม่โคแล้วชำระแล้วนั่งปั่นเป็นส่วนๆในทางใหญ่สีแพร่งกล่าวคือฐานกลางของทางใหญ่ซึ่งแยกไปสู่สีทิศฉันใดภิกษุย่อมพิจารณากายซึ่งชื่อว่าตามที่ตั้งอยู่ เราะตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งอิริยาบททั้งสี่หรือชื่อว่าตามที่ดํารงแล้วเราะตามที่ตั้งอยู่แล้วนั่นเองโดยความเป็นธาตุอย่างนี้ว่าในกายนี้มีปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุฉันนั้นมีอธิบายอย่างไรอธิบายว่าเมื่อนขขายโคคาเลี้ยงโคอยู่ก็ดี นำมาสู่ที่ฆ่าก็ดีจูงมาผูกมัดไว้ในที่ฆ่านั้นก็ดีฆ่าอยู่ก็ดีเห็นโคที่ฆ่าแล้วตายแล้วก็ดีความสําคัญหมายว่าแม่โคยังไม่สูญหายตราบเท่าที่ยังไม่ชำละโคนั้นแบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นแต่เมื่อเธอแบ่งออกแล้วนั่งอยู่ความหมายว่าแม่โคย่อมหายไปกลายเป็นหมายว่าเนื้อ เธอหาคิดอย่างนี้ไม่ว่าเราขายแม่โคคนเหล่านี้ซื้อแม่โคไปอันที่แท้เธอย่อมคิดอย่างนี้ว่าเราขายเนื้อแม้ชนเหล่านี้ซื้อเนื้อไปฉันใดแม้เมื่อภิกษุนี้ครั้งก่อนคือในเวลาเป็นปุถุชนคนโง่จะเป็นข้าเรหัดก็ตามบรรพชิตก็ตามความสำคัญหมายว่าสัตว์ว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าบุคคล ยังไม่สูญในทันทีตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทําการแยกออกเป็นกองกองพิจารณากายนี้ตามที่ตั้งอยู่แล้วตามที่ดำรงอยู่แล้วโดยความเป็นธาตุแต่เมื่อพระโยคีพิจารณาโดยความเป็นธาตุความสำคัญหมายว่าเป็นสัตย่อมสูญหายจิตย่อมตั้งจดจ่ออยู่ด้วยสามารถเป็นธาตุฝ่ายเดียวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายโคคาดผู้ขยันจนถึงพึงเป็นผู้นั่งแล้วฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็เช่นเดียวกันแต่ในมหาหัตถิปโทปมาสูตรทรงแสดงโดยพิสดารด้วยสามารถภิกษุผู้บำเพ็ญธาตุกรรมฐานซึ่งมีปัญญาไม่เฉียบแหลมนักอย่างนี้ว่าอาวุโสก็ปัวีาธาตุภายในเป็นชนะ สิ่งใดที่อยากแข็งอันปุธุชนยึดมั่นแล้วเป็นภายในเฉพาะตัวคือผมขนเล็บฟันจนถึงอาหารใหม่อาหารเก่าก็หรืออันใดอันหนึ่งแม้อื่นที่อยากแข็งอันปุธุชนยึดมั่นแล้วซึ่งเป็นไปในภายในเฉพาะตัวอวุโสมิลาคือปัตวีธาต์อันเป็นไปในภายในดังนี้ด้วย อาวุโสก็อาปโปธาต์ภายในเป็นฉนัยสิ่งใดเป็นของเอิบอาบถึงความซึมซาบอันปุถุชนยึดมั่นแล้วเป็นภายในเฉพาะตัวคือดีและมูดเป็นต้นก็หรืออันใดอันหนึ่งแม้อื่นที่เป็นของเอิบอาบถึงความซึมซาบอันปุถุชนยึดมั่นแล้วซึ่งเป็นภายในเฉพาะตัวอาวุโสนี้เรียกว่าอาปโปธาต์ อันเป็นไปในภายในดังนี้ด้วยอวุโสก็เตโชธาตภายในเป็นไฉนสิ่งใดเป็นของร้อนถึงความเป็นของร้อนอันปุถุชนยึดมั่นแล้วเป็นภายในเฉพาะตัวคือสิ่งที่เป็นเหตุให้เร่าร้อนให้โสมให้ถูกเผาผลาญให้ของที่บริโภคของที่ดื่มของที่กัดกินและของที่ลิ้ม ถึงความย่อยด้วยดีก็หรืออันใดอันหนึ่งแม้อื่นที่เป็นของร้อนถึงความเป็นของร้อนอันปุถุชนยึดมั่นแล้วซึ่งเป็นภายในเฉพาะตัวอวุโสนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในดังนี้ด้วยอวุโสก็วายโยธาอันเป็นปายภายในเป็นฉไนะสิ่งใดเป็นลม ถึงความพัดโบกอันปูธุชนยึดมั่นแล้วเป็นภายในเฉพาะตัวลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมพัดอยู่ในท้องลมพัดอยู่ในไส้ลมที่ล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าออกก็หรือว่าอันใดอันหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้หรือแม้อันอื่นคือเป็นลมถึงความพัดโบก อันปุทุชนยึดมั่นแล้วซึ่งเป็นปลายภายในเฉพาะตัวอวุโสนี้เรียกว่าวายโยธาอันเป็นปลายภายในดังนี้ด้วยก็ในมหาธิปะโทปมสูตรนี้ฉันใดแม้ในราหูโลวาทสูตรและทาตุวิพังคสูตรก็เหมือนกันฉันนั้นในพระสูตรนั้น มีขยายความบทที่ยังไม่กระจางดังต่อไปนี้คำว่าอันเป็นปายภายในและเฉพาะตัวทั้งสองนี้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นนิยกะสิ่งที่เกิดในตนอธิบายว่าเนื่องกับสันดานของตนชื่อว่านิยกะนิยกะนี้นั้นสันเดียวกับคำพูดในหมู่หญิงในโลก เขาย่อมเรียกว่าอาทิฐีคำเฉพาะผู้หญิงชั้นใดเรียกว่าเป็นภายในเพราะเป็นไปในตนเรียกว่าเฉพาะตนเพราะอาศัยตนเป็นไปชั้นนั้นคำว่าหยาบคือแค้นคำว่าแข็งคือกระด้างในคำเหล่านั้นคำที่หนึ่งบอกลักษณะคาที่สอง บอกอาการเพราะว่าปัทวีธาตมีลักษณะแค่นแข็งปัทวีธาตุนั้นมีอาการหยาบเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าแข็งคำว่าอันปุถุชนยึดมั่นคือยึดถืออย่างมั่นได้แก่ถืออย่างแน่นอย่างนี้ว่าเราว่าของเราดังนี้ความว่า จับแล้วคลาแล้วคำว่าเสยยะถีทางมีเป็นนิบาทความของนิบาทนั้นว่าหากจะถามว่าข้อนั้นได้แก่อะไรแต่นั้นเมื่อจะแสดงสิ่งที่ถามถึงนั้นจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าผมขนอันหนึ่งในที่นี้บัณฑิตพึงทราบว่าท่านแสดงปัตวีาธาตุโดยอาการยี่สิบ โดยรวมมันสมองเข้าในเยื่อกระดูกด้วยด้วยบทว่าก็หรือสิ่งอะไรอะไรแม้อื่นสงเคราะห์ปฐวีเข้าในส่วนทั้งสามที่เหลือสภาพที่เอิบคืออาบไปสู่ที่นั้นๆ้ดยความเป็นของซึมแทรกไปเหตุนั้นชื่อว่าอาโป สภาพที่ไปแล้วในสภาพที่ซึมซาบทั้งหลายมีอย่างต่างๆด้วยสามารถแห่งสภาพที่มีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นต้นเหตุนั้นชื่อว่าถึงความซึมซาบสิ่งนั้นได้แก่อะไรได้แก่สิ่งที่มีลักษณะเ อ, อิบอาบแห่งอาโปโาธาต์คือาธาตุน้าชื่อว่าไฟด้วยอำนาจความร้อน ชื่อว่าถึงความเร่าร้อนเพราะเหตุที่ไปแล้วในภาวะที่ร้อนทั้งหลายตามในยะที่กล่าวแล้วสิ่งนั้นได้แก่อะไรได้แก่สิ่งที่มีลักษณะที่อบอ้าวคาว่าก็ด้วยสิ่งใดความว่าด้วยสิ่งที่นับว่าไฟใดกำเริบแล้วกายนี้ย่อมเร่าร้อนคือเกิดร้อนรุ่มด้วยภาวะที่ต้องแก่ประจำทุกวันเป็นต้น คำว่าและเป็นเหตุให้โสมคือเป็นเหตุให้กายนี้คร่ำคร่าคือให้ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิกลสิ้นกำลังและหนังเหี่ยวผมงอกเป็นต้นคำว่าและเป็นเหตุให้ถูกเผาผลาญคือสิ่งใดกำเริบแล้วกายนี้ย่อมถูกเผาและบุคคลนั้นคร่ำครวญอยู่ว่าเราย่อมถูกเผาเราย่อมถูกเผา ดังนี้ย่อมหวังการทาน้ํามันเนยที่เคี่ยวแล้วร้อยครั้งปล่อยให้เย็นและน้ามันจันเป็นต้นและลมอันเกิดแต่พัดใบตาลคำว่าให้ของบริโภคของดื่มของเคี้ยวของลิ้มถึงความย่อยไปด้วยดีคือเป็นเครื่องถึงความย่อยไปคือหายไปโดยความเป็นรสเป็นต้นด้วยดี แห่งของบริโภคมีข้าวสุกเป็นต้นนี้หรือเครื่องดื่มมีน้ำเป็นต้นหรือของเคี้ยวมีแป้งและอาหารว่างเป็นต้นหรือของลิ้มมีมะม่วงสุกน้ําพึ่งและน้ําอ้อยเป็นต้นนี้ก็ในบรรดาลักษณะเหล่านี้ลักษณะสามข้างต้นมีเตโชธาตเป็นสมุดฐานลักษณะหลัง มีกรรมเป็นสมุดฐานอย่างเดียวชื่อว่าลมด้วยอำนาจกระพือพัดที่ชื่อว่าถึงความโบกพัดคือนับเข้าในจำพวกลมทั้งหลายตามในยะที่กล่าวแล้วสิ่งนั้นได้แก่อะไรได้แก่สิ่งที่มีลักษณะไหวชื่อว่าลมขึ้นเบื้องบน ได้แก่ลมที่ตีขึ้นข้างบนอันเป็นไปแล้วด้วยอำนาจการอาเจียนและสะอึกเป็นต้นชื่อว่าลมพัดลงเบื้องต่ำได้แก่ลมที่กดลงเบื้องต่ำที่นำอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้นออกมาชื่อว่าลมอยู่ในท้องคือลมภายนอกไส้ใหญ่ทั้งหลายชื่อว่าลมในไส้ คือลมภายในไส้ใหญ่ชื่อว่าลมลั่นไปตามร่างกายคือลมที่เกิดเพราะการงอเข้าและเหยียดออกเป็นต้นซึ่งซ่านไปสู่อวัยวะน้อยใหญ่ในสรีระทั้งสิน้นตามแนวแห่งคขายคือเส้นเอ็นชื่อว่าลมอัศสาสะคือลมในจมูกที่เข้าข้างในชื่อว่าลมปัสสาสะ ได้แก่ลมในจมูกที่ออกข้างนอกและในลมเหล่านี้ลมห้าชนิดตอนต้นมีสี่สมุดฐานลมอัาศาสะปัสสาสะมีจิตเป็นสมุดฐานอย่างเดียวก็ <st> ด้วยบทว่า <st> ก็หรือสิง่งใดสิ่งหนึ่งแม้อื่นดังนี้ในทุกๆแห่งท่านสงเคราะห์อาโปาธาตุเป็นต้น เท่าในส่วนที่เหลือทั้งหลายธาตุสเป็นอันท่านให้พิสดารด้วยอาการ42คือปัทวีธาตุโดยอาการ20อาโปธาตุโดยอาการ12เตโชธาตุโดยอาการ4และวาโยธาตุโดยอาการ6ดังพันนานามาชนีการขยายความบาลีในอธิการนี้เพียงเท่านี้ก่อน วิธีเจริญกรรมฐานก็พึงทราบวินิจฉัยในไนยะแห่งการเจริญในธาตุกรรมฐานนี้การกำหนดธาตุอย่างพิสดารอย่างนี้ว่าผมเป็นปัตวีธาตุขนเป็นปัตวีธาตุดังนี้ย่อมปรากฏโดยความเป็นของเนื่นช้าแก่ภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลมแต่เมื่อผู้มีปัญญาเฉียบแหลมนั้นายใจอยู่อย่างนี้ว่า สิ่งใดมีลักษณะแข่นแข็งสิ่งนี้คือปัทวีธาตสิ่งใดมีลักษณะเอิบอาบพสิ่งนี้คืออาโปธาตสิ่งใดมีลักษณะให้อบอุ่นสิ่งนี้คือเตโชธาตสิ่งใดมีลักษณะไหวสิ่งนี้คือวาโยธาตดังนี้กรรมฐานย่อมปรากฏแต่ผู้มีปัญญาไม่เฉียบแหลมนัก ใยใจอยู่อย่างนี้กรรมฐานนี้ยอมมืดมัวไม่จำแจ้งเมื่อเธอใยใจโดยพิสดารตามในยกักก่อนกรรมฐานจึงจะปรากฏได้ชัดถามว่าใยใจอย่างไรเปรียบเหมือนในภิกษุสองรูปสาธยายพระบาลีที่มีปัยาญาณมากภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ยังบาลีหน้าไปยานให้พิสดารครั้งเดียวหรือสองครั้งเบื้องหน้าแต่นั้นก็ทำการสัตยายด้วยสามารถที่สุดสองข้างจึงเลยไปในภิกษุสองรูปนั้นฝ่ายรูปที่มีปัญญาไม่เฉียบแหลมจะกล่าวอย่างนี้ว่านี้ชื่อว่าสาธยายอะไรกันไม่ให้ทำเพียงกระทบริมฝี ป, ปากเมื่อทำการสัตยายอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่ พระบาลีจึงจักคล่องเธอจึงทําการสัตยายอย่างพระบาลีไปญานที่มาถึงแล้วมาถึงแล้วให้พิสดารฝ่ายภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลมจะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่านี้ชื่อว่าสัตยายอะไรกันไม่ให้ถึงที่สุดสักทีเมื่อทําการสัตยายอย่างนี้เมื่อไหร่พระบาลีจึงจักถึงที่สุดได้ดังนี้ฉันใด การกำหนดธาตุอย่างพิสดารด้วยอำนาจผมเป็นต้นย่อมปรากฏโดยเป็นของช้าๆแก่ภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลมฉันนั้นแต่เมื่อท่านใยใจย่อโดยนัยยะเป็นต้นว่าสิ่งใดมีลักษณะแข่นแข็งสิ่งนี้คือปัตวีธาตุดังนี้กรรมฐานย่อมปรากฏฝ่ายภิกษุที่มีปัญญาไม่เฉียบแหลม ใฟใจเหมือนอย่างนั้นกรรมฐานกลับมืดมวัวไม่แจ่มแจ้งเมื่อไฝ่ใจพิสดารด้วยสามารถผมเป็นต้นกรรมฐานย่อมปรากฏชัดเหตุนั้นภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลมต้องการเจริญกรรมฐานพึงไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่นึกถึงรูปกายของตนแม้ทั้งสิ้นก่อนจึงกำหนดทา่าโดยย่ออย่างนี้ว่า ภาวะแข็งหรือกระด้างในกายอันใดนี้คือปัทวีธาตุภาวะที่เอบอบาบซึมซาบอันใดนี้คืออาปโปธาตุภาวะที่ให้ย่อยหรืออบอุ่นอันใดนี้คือเตโชธาตุภาวะที่ให้เคลื่อนไหวหรือที่เปล่งนี้คือวายโยธาตุดังนี้แล้วจึงนึกายใจสอดส่องด้วยความเป็นสัต์แต่ว่าธาตุโดยมใชัยสัตว์ โดยมิใช่ชีว่าว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุดังนี้บ่อยๆเมื่อเธอพยายามใช้ปัญญากำหนดสอดส่องชนิดแห่งธาตุอย่างนี้ต่อการไม่นานนักสมาธิขั้นอุปจาระได้ปัญญาเรื่องสอดส่องประเภทแห่งธาตุช่วยพยุงแล้วก็เกิดขึ้นไม่ถึงขั้นอัปปนาเพราะมีสภาวะธรรมเป็นอารมณ์ อีกอย่างหนึ่งส่วนสี่ประเภทเหล่านี้ใดซึ่งพระธรรมเสนาบดีสาวรีบุตรกล่าวไว้เพื่อแสดงความที่มหาพูดทั้งสี่ไม่ใช่สัตว์ว่าอาศัยกระดูกอาศัยเอ็นอาศัยเนื้ออาศัยหนังอากาศที่ล้อมรอบถึงความนับว่ารูปชนี้พระโยคีพึงเอามือคือชานที่สอดส่อง ไปตามระหว่างแห่งกระดูกเป็นต้นนั้นแแบบส่วนเหล่านั้นแล้วกำหนดธาตุทั้งหลายตามในยักก่อนนั่นแหละว่าในธาตุสี่เหล่านั้นภาวะแข็งหรือกระด้างอันใดนี้คือปัทวีธาตุแล้วจึงนึกในใจพิจารณาบ่อยๆโดยเป็นสัตวะวธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุดังนี้บ่อยๆ เมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้ต่อการไม่นานนักสมาธิขั้นอุปจาระได้ปัญญาเครื่องสอดส่องประเภทแห่งธาตุช่วยพยุงแล้วก็เกิดขึ้นไม่ถึงขั้นอัปปนาเพราะมีสภาวะธรรมเป็นอารมณ์นี้เป็นภาวนาใัม่ในการกำหนดธาตุสีซึ่งพันณ า, นาโดยย่อส่วนที่พันณ า, าโดยพิสดาร บันดิตพึงทราบอย่างนี้คือประโยคีผู้มีปัญญาไม่เฉียบแหลมต้องการเจริญกรรมฐานนี้พึงเรียนธาตุอย่างพิสดารด้วยอาการสี่สิบสองในสำนักของอาจารย์ไปอยู่ในเสนาสนะมีประการดังกล่าวแล้วทำกิจทุกอย่างเสร็จแล้วไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่พึงเจริญกรรมฐานโดยอาการทั้งสี่อย่างนี้คือหนึ่ง โดยย่อพร้อมทั้งเครื่องปรุงสองโดยแยกพร้อมทั้งเครื่องปรุงสามโดยย่อพร้อมทั้งลักษณะและสี่โดยแยกพร้อมทั้งลักษณะในสี่อย่างนั้นอย่างไรภิกษุชื่อว่าเจริญโดยย่อพร้อมทั้งเครื่องปรุงคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กำหนดอาการที่กระด้างในส่วนยี่สิบว่าปัทวีธาต์กำหนดอาการที่เอิบอาบได้แก่น้ำซึ่งถึงความซึมแทรกในส่วนสิบสองว่าอาโปธาต์กำหนดไฟที่ให้ย่อยในส่วนสี่ว่าเตโชธาต์กำหนดอาการกระพือพัดในส่วนทั้งหกว่าวาโยธาตเมื่อเธอกำหนดอยู่อย่างนี้ ธาตย่อมปรากฏเมื่อรำพึงในใจถึงธาตเหล่า น, ลนั้นบ่อยๆอุปจารสมาธิย่อมเกิดตามนัยยะที่กล่าวแล้วแลก็เมื่อประโยคีใดเจริญอยู่อย่างนี้กรรมฐ า, านไม่สำเร็จประโยคีนั้นพึงเจริญโดยจำแนกออกไปพร้อมทั้งเครื่องปรุงคืออย่างไรคือภิกษุนั้น ไม่ถึงยังอุคหะโกศลโดยส่วนเจและมนาสิการโกศลโดยส่วนสิบซึ่งกล่าวไว้แล้วในกายคตาสติกรรมฐานิเทศนั้นทั้งหมดไม่ให้บกพร่องทำการสันทยายตจะปัญจกะเป็นต้นด้วยวาจาโดยอนุโลมและปฏิโลมให้เป็นเบื้องต้นแล้วพึงทำวิธีดังที่กล่าวแล้วในกรรมฐานนั้นทั้งหมด แต่ที่แปลกกันมีอย่างนี้คือในกายคตาสตินั้นแม้ใยใจผมเป็นต้นด้วยอํานาจสีสันฐานทิศโอกาสปริเชดแล้วพึงตั้งใจกําหนดด้วยสามารถความเป็นของปฏิกูลอีกแต่ในที่นี้พึงตั้งใจด้วยสามารถความเป็นธาตุเพราะเหตุนั้นพึงใยใจผมเป็นต้นอย่างละห้าอย่างละห้า ด้วยสามารถสีเป็นต้นแล้วจึงมนสิการให้เป็นไปอย่างนี้ในอวสานใจความว่าปัทวีธาตุประการที่หนึ่งของปัทวีธาตุชื่อว่าผมเหล่านี้เกิดที่หนังหุ้มกระโหลกศีรษะพึงกำหนดในผมเหล่านั้นว่าเมื่อยากุลธะ หญ้าที่แข็งเกิดบนยอดจอมปลวกจอมปลวกหารู้ไม่ว่าหญ้ากุนถะเกิดบนเราแม้หญ้ากุนถะก็หารู้ไม่ว่าเราเกิดบนจอมปลวกฉันใดหนังหุ้มกระโหลกศีรษะก็เช่นกันหารู้ไม่ว่าผมเกิดในเราแม้ผมก็หารู้ไม่ว่าเราเกิดบนนังหุ้มกระโหลกศีรษะ ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าผมทั้งหลายดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤษตว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาตุประการที่สองขน เกิดในหนังหุ้มสรีระพึงกําหนดในขนเหล่านั้นว่าเมื่อยาแพรกเกิดในสถานที่บ้านร้างสถานที่บ้านร้างหารู้ไม่ว่าญยาแพร่เกิดที่เราแม้้าแพร่ก็หารู้ไม่ว่าเราเกิดในสถานที่บ้านร้างฉันใดหนังหุ้มสรีระก็เช่นกันหารู้สึกไม่ว่าขนเกิดในเราแม้ขนก็หารู้ไม่ว่า เราเกิดในหนังหุ้มสรีระธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าขนทั้งหลายดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยกฤษว่างเปลา่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่สาม เล็บเกิดที่ปลายนิ้วมือพึงกำหนดในเล็บนั้นว่าเมื่อเด็กเอาไม้เรียวแทงมเมล็ดมะสางเข้าไปแล้วเล่นอยู่ไม้เรียวหารู้ไม่ว่ า, มาเมล็ดมะสางตั้งอยู่ในเราแม้มเมล็ดมะซางก็ห า, า, ารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ที่ปลายไม้เรียวฉันใดนิ้วมือทั้งหลายก็เช่นกันยอมไม่รู้ว่าเล็บเกิดที่ปลายนิ้วทั้งหลายแม้เล็บ ก็ไม่รู้ว่าเราเกิดที่ปลายนิ้วทั้งหมดธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าเล็บทั้งหลายดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยกฤิว่างเปล่ามีใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาต ประการที่สี่ฟันเกิดที่กระดูคางพึงกำหนดในฟันนั้นว่าเมื่อซีไม้ที่พวกนอาอยช่างเอายางเหนียวชนิดใดชนิดหนึ่งติดตั้งไว้บนโครกหินโครกหารู้ไม่ว่าซีไม้ตั้งอยู่บนเราแม้ซี่ไม้ก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนโครกดังนี้ฉันใดกระดูกคางก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่า ฟันเกิดในเราแม้ฟันก็หารู้ไม่ว่าเราเกิดที่กระดูกคางฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าฟันทั้งหลายดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอพิยากริว่างเปล่ามีช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาต ประการที่ห้าหนังตั้งหุ้มอยู่ทั่วรีระพึงกำหนดในหนังนั้นว่าเมื่อพินใหญ่หุ้มด้วยหนังโคอ่อนพินใหญ่หารู้ไม่ว่าหนังโคอ่อนหุ้มเราอยู่แม้หนังโคอ่อนก็หารู้ไม่ว่าเราหุ้มพินใหญ่ไว้ฉันใดรีระก็หารู้ไม่ว่าหนังหุ้มเราไว้แม้หนังก็หารู้ไม่ว่า เราหุ้มสรีระไว้ฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าหนังดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอภิยากฤิว่างเปล่ามีช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่หก เนื้อตั้งฉาบร่างกระดูกพึงกำหนดในเนื้อนั้นว่าเหมือนเมื่อฝาถูกฉาบด้วยดินเหนียวหนาฝาหารู้ไม่ว่าเราอันดินเหนียวหนาฉาบทาแล้วแม้ดินเหนียวหนาก็หารู้ไม่ว่าเราฉาบทาฝาแล้วฉันใดร่างกระดูกก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าเราอันเนื้อมีประเภทเก้าร้อยชิ้นฉาบแล้ว แม้เนื้อก็าหารู้ไม่ว่าเราฉาบร่างกระดูกไว้ฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เวลาจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าเนื้อดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาต์ ประการที่เจ็ดเอ็นตั้งรึงรัดกระดูกในภายในอยู่พึงกาหนดในเอ็นนั้นว่าเหมือนเมื่อไม้ฝาอันบุคคลมัดแล้วด้วยเถาวันไม้ฝาหารู้ไม่ว่าเราอันเถาวันรัดแล้วแม้เถาวันก็หารู้ไม่ว่าเรารัดไม้ฝาไว้ฉันใดกระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าเอ็นรัดรึงเราไว้ แม้เอ็นทั้งหลายก็หารู้ไม่ว่าเรารัดกระดูกไว้ฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เว้นล้าจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าเอ็นดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤษว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาต ประการที่8ในจําพวกกระดูกทั้งหลายกระดูกส้นเท้ายกกระดูกข้อเท้าทูลไว้กระดูกข้อเท้ายกกระดูกแข้งทูลไว้กระดูกแข้งยกกระดูกขาทูลไว้กระดูกขายกกระดูกสะเอวทูลไว้กระดูกสะเอวยกกระดูกสันหลังทูลไว้กระดูกสันหลังยกกระดูกคอทูลไว้ กระดูกคอยกกระดูกศีรษะทูลไว้กระดูกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอตั้งอยู่บนกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังตั้งอยู่บนกระดูกสะเอวกระดูกสะเอวตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขาตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้า ตั้งอยู่บนกระดูกส้นเท้าพึงกําหนดในกระดูกเหล่านั้นว่าในบรรดาเครื่องก่อที่สําเร็จด้วยอิฐไม้หรือโคไมเป็นต้นสัมภาระตอนล่างล่างหารู้ไม่ว่าเรายกสัมภาระข้างบนทูลไว้แม้สัมภาระข้างบนบนก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่เหนือสัมภาระตอนล่างล่างชั้นใด กระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้นคือกระดูกส้นเท้าก็หารู้ไม่ว่าเรายกกระดูกข้อเท้าทูลไว้กระดูกข้อเท้าก็หารู้ไม่ว่าเรายกกระดูกแข้งทูลไว้กระดูกแข้งก็หารู้ไม่ว่าเรายกกระดูกขาทูลไว้กระดูกขาก็หารู้ไม่ว่าเรายกกระดูกสะเอวทูลไว้กระดูกสะเอวก็หารู้ไม่ว่า ยกกระดูกสันหลังทูลไว้กระดูกสันหลังก็หารู้ไม่ว่าเรายกกระดูกคอทูลไว้กระดูกคอก็หารู้ไม่ว่าเรายกกระดูกศีรษะทูลไว้กระดูกศีรษะก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกคอกระดูกคอก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกไสเอวกระดูกไสเอวก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกขากระดูกขาก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกแข้งกระดูกแข้งก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้ากระดูกข้อเท้าก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกส้นเท้าฉันนั้น ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่ากระดูกดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤษว่างเปลา่ามีช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาตุประการที่เก้าเยื่อในกระดูก ตั้งอยู่ภายในแห่งกระดูกเหล่านั้นนั้นพึงกําหนดในเยื่อนั้นว่าในวัตถุเป็นต้นว่ายอดหวายที่บุคคลผู้หนึ่งใส่เข้าไปภายในปล้องไม้ไผ่เป็นต้นปล้องไม้ไผ่ก็หารู้ไม่ว่ายอดหวายเป็นต้นเขาใส่เข้าแล้วในเราแม้ยอดหวายเป็นต้นก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในปล้องไม้ไผ่เป็นต้นชั้นใด กระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้นก็หารู้ไม่ว่าเยื่ออยู่ในภายในเราทั้งหลายแม้เยื่อก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ภายในกระดูกฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เวลาจะ ก, การใส่ใจและพิจารณากันละกันชื่อว่าเยื่อในกระดูกดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอภยกริดว่างเปล่ามิใช่สัต แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่สิบไตคลุมเนื้อหัวใจเส้นเอ็นใหญ่ที่ออกจากลำคออันมีโคนโคนเดียวไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแยกออกเป็นสองรัดรึงไว้ตั้งคลุมเนื้อหัวใจไว้พึงกำหนดในไตนั้นว่าในผลมะม่วงสองผลที่ขั้วติดกันขั้วหารู้ไม่ว่า เรายึดมะม่วงสองผลไว้แม้มะม่วงสองผลก็หารู้ไม่ว่าขั้วยึดเราไว้ชั้นใดเส้นเอ็นใหญ่ก็ฉันนั้นก็หารู้ไม่ว่าเรายึดไตไว้แม้ไตก็หารู้ไม่ว่าเส้นเอ็นใหญ่หยึดเราไว้ธรรมะเหล่านี้เวลาจะ ก, การใส่ใจและพิจารณากันละกันชื่อว่าไตา ดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่สิบเอ็ดหัวใจอยู่อาศัยท่ามกลางหลืบแห่งกระดูก อ, กอกในภายในสรีระพึงกำหนดในหัวใจนั้นว่า ในชิ้นเนื้อตั้งอาศัยอยู่ที่ภายในหลืบท้องกระทะเกา่าหลืบท้องกระทะเก่าหารู้ไม่ว่าชิ้นเนื้อตั้งอาศัยเราอยู่แม้ชิ้นเนื้อก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอาศัยภายในหลืบท้องกระทะเก่าอยู่สันใดภายในหลืบกระดูกอกก็หารู้ไม่ว่าหัวใจตั้งอาศัยเราอยู่แม้หัวใจก็หารู้ไม่ว่า เราตั้งอาศัยภายในหลือกระดูกอกอยู่ฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เวลาจะ ก, การใส่ใจและพิจารณากันละกันชื่อว่าหัวใจดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาต์ ประการที่สิบสองตับตั้งอาศัยข้างขวาในระหว่างนมทั้งสองในภายในสรีระพึงกําหนดในตับนั้นว่าในก้อนเนื้อทั้งคู่ที่ติดอยู่ที่ข้างกระเบื้องหม้อข้างกระเบื้องหม้อหารู้ไม่ว่าก้อนเนื้อทั้งคู่ติดแล้วในเราแม้ก้อนเนื้อทั้งคู่ก็หารู้ไม่ว่าเราติดอยู่ที่ข้างกระเบื้องหม้อฉันใด ข้างขวาระหว่างนมก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าตับตั้งอาศัยเราอยู่แม้ตับก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอาศัยข้างขวาในระหว่างนมอยู่ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันละกันชื่อว่าตับดังบรรยายมา น, นี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤิ ว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่สิบสามบรรดาพังผืดทั้งหลายพังผืดที่ปกปิดตั้งหุ้มหัวใจและตายอยู่พังผืดที่ไม่ปกปิดรวบรัดเนื้อภายใต้หนังในสริระทั้งสิน้นพึงกำหนดในพังผืด น, นั้นว่า ในเนื้อที่บุคคลเอาผ้าเก่าห่อไว้เนื้อหารู้ไม่ว่าเราถูกผ้าเก่าพันไว้แม้ผ้าเก่าก็หารู้ไม่ว่าเราพันเนื้อไว้ชันใดไตและหัวใจและเนื้อในสรีระทั้งสิ้นก็ชันนั้นหารู้ไม่ว่าพังผืดปกปิดเราไว้แม้พังผืดก็หารู้ไม่ว่า เราปกปิดตาตหัวใจและเนื้อในสรีระทั้งสิ้นไว้ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากนและกันชื่อว่าพังผืดดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอพยากฤษว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัททวีธาต ประการที่สิบสี่ม้ามตั้งอาศัยข้างที่สุดแห่งกระพุ้งท้องในข้างซ้ายแห่งหัวใจพึงกําหนดในม้ามนั้นว่าในก้อนโคไม้ตั้งอาศัยข้างที่สุดช้างข้างที่สุดช้างก็หารู้ไม่ว่าก้อนโคไม้ตั้งอาศัยเราอยู่ก้อนโคไม้ก็หารู้ไม่ว่าเราแนบติดข้างที่สุดช้างอยู่ฉันใด ข้างที่สุดกระพุ้งท้องก็หารู้ไม่ว่าม้ามแนบเราอยู่แม้ม้ามก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งแนบข้างที่สุดแห่งกระพุ้งท้องอยู่ฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เว้นแล่าจากการใส่ใจและพิจารณากันละกันชื่อว่าม้ามดังบรรยายนี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสริระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยกฤิ ว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์จัดเป็นปัตถวีธาตุประการที่สิบห้าปอดตั้งห้อยปกอยู่เบื้องบนหัวใจและตับในระหว่างนมทั้งสองในภายในสัตรีระพึงกําหนดในปอดนั้นว่าในรังนกที่ห้อยอยู่ภายในฉางเก่าภายในฉางเก่าหารู้ไม่ว่ารังนกห้อยอยู่ในเรา แม้รังนกก็หารู้ไม่ว่าเราห้อยอยู่ภายในช้างเก่าชั้นใดภายในสรีระก็ชั้นนั้นหารู้ไม่ว่าปอดห้อยอยู่ในเราแม้ปอดก็หารู้ไม่ว่าเราห้อยอยู่ภายในสรีระเห็นป่านนี้ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากนและกันชื่อว่าปอดดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยกริว่างเปลา่ามีชัยสัตว์แข่งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาตุประการที่สิบหกไส้ใหญ่ตั้งอยู่ภายในสรีระมีหลุมคอและเวจมักเป็นที่สุดพึงกำหนดในไส้ใหญ่นั้นว่า ฉันเดียวกับซากงูที่เขาตัดศีรษะวางขดไว้ในรางเลือดรางเลือดหารู้ไม่ว่าซากงูตั้งอยู่ในเราแม้ซากงูก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ในรางเลือดฉันใดภายในสรีระก็หารู้ไม่ว่าไส้ใหญ่ตั้งอยู่ในเราแม้ไส้ใหญ่ก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ภายในสรีระฉันนั้น ธรรมะเหล่านี้เวลาจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าไส้ใหญ่ดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤษตว่างเปลา่าไม่ใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่สิบเจ็ดไส้น้อยพันขนดไส้ใหญ่ ยี่สิบอดขนดตั้งอยู่ในระหว่างระหว่างไส้ใหญ่นั้นๆพึงกำหนดในไส้น้อยนั้นว่าในเชือกน้อยที่ร้อยขนดสำหรับเช็ดเท้าขนดเชือกสำหรับเช็ดเท้าหารู้ไม่ว่าเชือกน้อยตั้งร้อยรัดเราไว้แม้เชือกน้อยก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งร้อยยึดขนดเชือกสำหรับเช็ดเท้าไว้ชันใดไส้ใหญ่ก็ฉันนั้น หารู้ไม่ว่าไส้น้อยร้อยรัดเราไว้แม้ไส้น้อยก็หารู้ไม่ว่าเราร้อยรัดไส้ใหญ่ไว้ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าไส้น้อยดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอภยยากฤิตว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้าง จัดเป็นปัทวีธาตุประการที่18ปอาหารใหม่ได้แก่ของรับประทานเครื่องดื่มของเคี้ยวของลิ้มซึ่งอยู่ในท้องพึ่งกำหนดในอาหารใหม่นั้นว่าในรากหรือสำรอกอาเจียนของสุนักอันตั้งอยู่ในรางสุนักรางสุนักหารู้ไม่ว่ารากสุนักอยู่ในเรา แม้ราสุนักก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ในรางสุนักชั้นใดท้องก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าอาหารใหม่อยู่ในเราแม้อาหารใหม่ก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในท้องธรรมะเหล่านี้เว้นลาจากการใส่ใจและพิจารณากนและกันชื่อว่าอาหารใหม่ดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปลา่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาตุประการที่สิบเก้าอาหารเก่าตั้งอยู่ในที่สุดไส้ใหญ่อันเป็นเช่นเดียวกับล่องไม้ไผ่ยาวประมาณแปดนิ้วกล่าวคือกระเพาะอาหารเก่าพึงกำหนดในอาหารเก่านั้นว่า ในดินเหลืองละเอียดซึ่งบุคคลขยามใส่ในปล้องไม้ไผ่ปล้องไม้ไผ่ก็หารู้ไม่ว่าดินเหลืองอยู่ในเราแม้ดินเหลืองก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในปล้องไม้ไผ่ชั้นใดกระเพาะอาหารเก่าก็ชั้นนั้นหารู้ไม่ว่าอุจจาระอยู่ในเราแม้อุจจาระก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในกระเพาะ ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าอุจาระดังบรรยายมา น, นี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยกฤษว่างเปล่ามิใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัตวีธาตุประการที่ยี่สิบมันสมอง อยู่ในภายในกระโหลกศีรษะพึงกำหนดในมันสมองนั้นว่าในก้อนแป้งที่เขาใส่ในกระโหลกน้ำเต้าเก่ากระโหลกน้ำเต้าเก่าหารู้ไม่ว่าก้อนแป้งอยู่ในเราแม้ก้อนแป้งก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในกระโหลกน้ำเต้าฉันใดภายในกระโหลกศีรษะก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่ามันสมองอยู่ในเรา แม้มันสมองก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ภายในกระโหลกศีรษะธรรมะเหล่านี้เวลาจาัด ก, การใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่ามันสมองดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยกฤตว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์แข็งกระด้างจัดเป็นปัทวีธาต หมวดที่สองอาโปาธาตคือาธาตุน้ำบรรดาดีทั้งหลายดีไม่เป็นฝักซาบซ่านตั้งอยู่ทั่วสรีระซึ่งเนื่องด้วยชีวิตตินซีดีที่เป็นฝักอยู่ในฝักดีพึงกำหนดในดีนั้นว่าน้ำมันที่ซึมซาบขนมขนมหารู้ไม่ว่าน้ำมันซึมซาบเราอยู่แล้วแม้น้ำมันก็หารู้ไม่ว่า เราซึมซาบขนมอยู่แล้วฉันใดสรีระก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าดีที่ไม่เป็นฝักซึมซาบเราอยู่แม้ดีที่ไม่เป็นฝักก็หารู้ไม่ว่าเราซึมซาบสรีระอยู่ในรังบวบขมซึ่งเต็มด้วยน้ําฝนรังบวบขมหารู้ไม่ว่าน้ําฝนอยู่ในเราแม้น้าฝนก็หารู้ไม่ว่า เราอยู่ในรังบวบขมฉันใดฝักดีก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าดีที่เป็นฝักอยู่ในเราแม้ดีที่เป็นฝักก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในฝักดีธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าดีดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอพยกฤิว่างเปลา่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาตเสเลดประมาณเต็มกรอบมือหนึ่งตั้งอยู่ในกระพุ้งท้องพึงกำหนดในสเลดนั้นว่าในบ่อน้ำคราซึ่งเกิดเป็นฟองเป็นฝาฟอดในเบื้องบนบ่อน้ำคราหารู้ไม่ว่า ฟองฟาตั้งอยู่ในเราแม้ฟองฟาก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ในบ่อน้ำครํำฉันใดกระพุ้งท้องก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าเสเลดอยู่ในเราแม้เสเลดก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในพื้นท้องธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าเสเลดดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤษต่างเปล่าวมิใช่สัตว์เป็นน้ำยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาต์หนองไม่มีโอกาสคือที่ตั้งที่เกิดที่อยู่เป็นนิดโลหิตตั้งห่อขึ้นในส่วนแห่งสรีระใดใด ต้นตอหรือหนามตําหรือเปเลวไฟเป็นต้นลวกแล้วหรือฝีและต่อมเป็นต้นย่อมเกิดในส่วนแห่งสรีระใดน้องก็ตั้งขึ้นในส่วนแห่งสรีระนั้นๆพึงกําหนดในหนองนั้นว่าในต้นไม้มียางไหลออกแล้วด้วยสามารถถูกฟันด้วยขวานเป็นต้นส่วนที่ถูกฟันเป็นต้นแห่งต้นไม้หารู้ไม่ว่า อย่างตั้งอยู่ในเราแม้อย่างก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ในส่วนที่ถูกฟันเป็นต้นแห่งต้นไม้ฉันใดส่วนแห่งร่างกายที่ถูกต่อและหนามเป็นต้นทิ่มตําก็หารู้ไม่ว่าหนองตั้งอยู่ในเราแม้หนองก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในส่วนเหล่านั้นฉันนั้น ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าหนองดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอพยกฤตว่างเปล่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาดบรรดาเลือดทั้งหลาย เลือดที่ฉีดซ่านไปตั้งอยู่ทั่วรีระทั้งสิ้นดุดดีเลือดที่ขังเต็มพื้นล่างแห่งฐานเป็นต้นมีประมาณเต็มกรอบมือหนึ่งอย่าง ม, าม้าหัวใจตับปอดให้ชุ่มอยู่ในเลือดสองชนิดนั้นเลือดที่ฉีดมีวินิจฉัยเช่นเดียวกับดีไม่มีฝักนั่นเองฝ่ายเลือดอีกชนิดหนึ่งพึงกาหนดว่าในน้าอันบุคคลรดแล้วที่กระเบื้องผุเกา่า อย่างก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นในภายใต้ให้ชุ่มอยู <Unity> ่ก <dam> ้อนดินและท่อนไม้หารู้ไม่ว่าเราอันน้ำให้เปียกชุ่มอยู่แม่น้ำก็หารู้ไม่ว่าเรายังก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้ชุ่มอยู่ชั้นใดที่เป็นส่วนภายใต้แห่งตับหรือม้ำเป็นต้นก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าเลือดอยู่ในเราหรือยังเราให้ชุ่มอยู่ แม้เลือดก็หารู้ไม่ว่าเรายังส่วนใต้แห่งตับให้เต็มแล้วอย่างไตเป็นต้นให้ชุ่มอยู่ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าเลือดดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤิว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาต์เหงื่อตั้งอยู่เต็มช่องขุมผมและขนและหลังออกในเวลาร้อนอบอ้าวเพราะไฟเป็นต้นพึงกำหนดในเหงื่อนั้นว่าในกรรมแห่งก้านบัวพิษะมูลานกูมุ ด, ด, มดซึ่งพอยกขึ้นแล้วจากน้ำช่องในกรรมบัวอันมีนามว่าพิษะเป็นต้นหารู้ไม่ว่า น้ำหลั่งออกจากเราแม้น้ำที่หลั่งออกจากช่องในถึงบัวอันมีน้ำว่าพิษะเป็นต้นก็หารู้ไม่ว่าเราหลั่งออกจากช่องในกำบังอันมีน้ำว่าพิษะเป็นต้นฉันใดแม้ช่องแห่งขุมผมและขนก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าเหงื่อหลั่งออกจากเราแม้เหงื่อก็หารู้ไม่ว่า เราหลังออกจากช่องแห่งคุ้มผมและขนฉันนั้นธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจร า, ารณากันและกันชื่อว่าเงือดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤิว่างเปล่ามีชัยสัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาต มันค้นได้แก่มันที่แค่นสำหรับคนอ้วนแผ่ไปตั้งอยู่ทั่วรีระสำหรับคนผอมตั้งอาศัยเนื้อแข้งเป็นต้นพึงกำหนดในมันค้นนั้นว่าในกองเนื้ออันบุคคนปิดไว้ด้วยผ้าเก่าที่ย้อมขมิน้นกองเนื้อหารู้ไม่ว่าผ้าเก่าที่ย้อมขมิ้นอาศัยปิดเราไว้แม้ผ้าเก่าที่ย้อมขมิน้น ก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอาศัยกองเนื้ออยู่ฉันใดเนื้อในสริระทั้งสิน้นหรือที่แข้งเป็นต้นก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่ามันค้นอาศัยเราตั้งอยู่ทั้งมันค้นก็หารู้ไม่ว่าเราอาศัยเนื้อในสริระทั้งสิน้นหรือที่แข้งเป็นต้นตั้งอยู่ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันละกัน ชื่อว่ามันค้นดังบรรยายมา น, นี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีจตนาเป็นอพยญากฤิว่างเปล่ามิใช่สัตว์เป็นยางแค่นมีอาการเอิบอาบจัดเป็นอาโปธาดน้ำตาในเวลาที่เกิดย่อมขังเต็มกระบอกตาหรือหลั่งไหลออกมา พึงกำหนดในน้ำตานั้นว่าฉันเดียวกับเต้าเมล็ดตาอ่อนซึ่งเต็มด้วยน้ำเต้าเมล็ดตาอ่อนหารู้ไม่ว่าน้ำอยู่ในเราแม้น้ำในเต้าเมล็ดตาอ่อนก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในเต้าเมล็ดตาอ่อนฉันใดกระบอกตาก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าน้ำตาอยู่ในเราแม้น้ำก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในกระบอกตา ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่าน้ำตาดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอภพยากฤตว่างเปล่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำยันมีอาการเอิบอาบจัดเป็นอาโปธาดมันเหลวได้แก่มันใส ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝ่ามือหลังมือหลังเท้าปลายจมูกหน้าผากและจงไงบ่าในเวลาที่ร้อนอบอ้าวเพราะไฟเป็นต้นพึงกำหนดในมันเหลวนั้นว่าในน้ำข้าวซึ่งใส่น้ำมันลงไปน้ำข้าวหารู้สึกไม่ว่าน้ำมันท่วมเราตั้งอยู่แม้น้ำมันก็หารู้สึกไม่ว่าเราท่วมน้ำข้าวตั้งอยู่ฉันใด ส่วนอวัยวะมีฝ่ามือเป็นต้นก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่ามันเหลวท่วมทับเราตั้งอยู่แม้มันเหลวก็หารู้ไม่ว่าเราท่วมทับอวัยวะมีฝ่ามือเป็นต้นตั้งอยู่ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจัด ก, การใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่ามันเหลวดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสริระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอพยกฤิว่างเปลา่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการเอิบอาบจัดเป็นอาโปธาตุน้ำลายเมื่อปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดน้ำลายเห็นปานนั้นมีอยู่หลั่งลงมาจากกระพุ้งแก้มทั้งสองแล้วตั้งอยู่ที่พื้นลิ้นพึงกําหนดในน้ำลายนั้นว่า ในหลุมใกล้ฝั่งแม่น้ำซึ่งมีน้ำไหลมาไม่ได้ขาดพื้นหลุมหารู้ไม่ว่าน้ำตั้งอยู่ในเราแม้น้ำก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่บนพื้นหลุมฉันใดพื้นลิ้นก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าน้ำลายหลั่งลงมาจากกระพุ้งแก้มทั้งสองตั้งอยู่ในเราแม้น้ำลายก็หารู้ไม่ว่า เราหลั่งลงมาจากกระพุ้งแก้มทั้งสองตั้งอยู่ในที่พื้นลินธรรมะเหล่านี้เวลาจากการใส่ใจและพิจารณากันละกันชื่อว่าน้ำลายดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอภพยากฤษว่างเปล่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาต น้ำมูกในเวลาที่เกิด ย, ออย่อมยางช่องจมูกให้เต็มอยู่หรือหลังออกพึงกำหนดในน้ำมูกนั้นว่าช้อนเต็มด้วยนมส้มเนา่าช้อนหารู้ไม่ว่านมส้มเน่าตั้งอยู่ในเราแม้นมส้มเน่าก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในช้อนฉันใดช่องจมูกก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าน้ำมูกตั้งอยู่ในเรา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 ไขข้ อ, อยางกิดคือการหยอดข้อต่อแห่งกระดูกทั้งหลายให้สำเร็จตั้งอยู่ในข้อต่อหนึ่งรยแปสิบแห่งพึงกำหนดในไขข้อนั้นว่าในเพลาอันในช่างหยอดแล้วด้วยน้ำมันเพลาหารู้ไม่ว่าน้ำมันหยอดท่าเราตั้งอยู่แม้น้ำมันก็หารู้ไม่ว่าเราหยอดท่าเพลาตั้งอยู่ฉันใดข้อต่อหนึ่งยแปสิบแห่ง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 ว่างเปล่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาตมูดหรือปัสสาวะตั้งอยู่ในภายในกระเพาะเบาพึงกำหนดในมูดนั้นว่าในหม้อเนื้อห่างคือหม้อดินเนื้อหยาบที่บุคคลคว่มปากไว้ในน้ำครําหม้อเนื้อห àng, าา่นนออห àng, างก็หารู้ไม่ว่า น้ำคราตั้งอยู่ในเราแม้น้ำคราก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ในหม้อเนื้อหางฉันใดกระเพาะเบาก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่ามูดตั้งอยู่ในเราแม้มูดก็หารู้ไม่ว่าเราตั้งอยู่ในกระเพาะเบาธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณาการละกันชื่อว่ามูดดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอพยากฤษว่างเปลา่าไม่ใช่สัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาต์หมวดที่สามเตโชธาต์ พระโยคีครั้นยังมานัสิการให้เป็นไปในผมเป็นต้นอย่างนี้แล้วพึงยังมณนสิการให้เป็นไปในส่วนแห่งเตโชธาตทั้งหลายอย่างนี้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุให้กายอบอุ่นสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอพยากฤต ว, ว่างเปล่ามิใช่สัตว์มีอาการร้อน ผ, ผักเผาจัดเป็นเตโชธาต และโดยในยะเดียวกันสิ่งใดเป็นเหตุให้คลั่มคล่ า, าเป็นเหตุให้ไหมเป็นเหตุให้ของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มย่อยโดยชอบสิ่งนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสารีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอภยากริตว่างเปล่ามีช่สัตว์มีอาการร้อนผาผาวจัดเป็นเตโชธาต หมวดที่สี่วาโยธาตแต่นั้นพึงกําหนดลมที่พัดขึ้นเบื้องบนด้วยสามารถลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําด้วยสามารถลมพัดลงเบื้องต่ําลมพัดอยู่ในท้องด้วยสามารถลมพัดอยู่ในท้องลมพัดอยู่ในไส้ด้วยสามารถลมพัดอยู่ในไส้ลมพัดตามร่างกาย โดยสามารถลมพัดตามร่างกายลมหายใจเข้าออกโดยสามารถลมหายใจเข้าออกแล้วจึงยังมณสิการให้เป็นไปในส่วนแห่งวายโยธาอย่างนี้ว่าชื่อว่าลมพัดขึ้นเบื้องบนคือส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอพยกริว่างเปล่ามีช่สัตว์มีอาการให้เคลื่อนไหวจัดเป็นวาโยธา ชื่อว่าลมพัดลงเบื้องต่าชื่อว่าลมพัดอยู่ในท้องชื่อว่าลมพัดอยู่ตามลำไส้ชื่อว่าลมพัดตามร่างกายชื่อว่าลมหายใจเข้าออกคือส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากริตว่างเปล่ามิใช่สัตว์มีอาการเคลื่อนไหวจัดเป็นวายโยธา เมื่อพระโยคีนั้นมานัสิการเป็นไปอย่างนี้ธาตุทั้งหลายย่อมปรากฏเมื่อเธอนึกถึงไยใจธาตุเหล่านั้นบ่อยๆอุปจารสมาธิย่อมเกิดตามในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็เมื่อพระโยคีได้เจริญอย่างนี้กรรมฐานไม่สาเร็จพระโยคีนั้นพึงเจริญโดยย่อพร้อมทั้งลักษณะเจริญอย่างไร คือต้องกาหนดว่าสิ่งที่มีลักษณะกระด้างในส่วนย0สิบจัดเป็นปัทวีธาตุสิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบในส่วน20สิบเหล่านั้นจัดเป็นอาโปธาตุสิ่งที่มีลักษณะให้อบอุ่นจัดเป็นเตโชธาตุสิ่งที่มีลักษณะพัดไปมาจัดเป็นวายโยธาตุ พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบในส่วนสิบสองว่าเป็นอาโปธาต์พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะอบอุ่นในส่วนสิบสองเหล่านั้นว่าเป็นเตโชธาต์พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะพัดไปมาว่าเป็นวายโยธาต์พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะกระด้างว่าเป็นปัทวีธาตพึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะอบอุ่น ในส่วนทั้งสี่ว่าเป็นเตโชธาตพึงกำหนดสิ่งที่มีลาาักษณะพัดไปมาอันเตโชธาตนั้นไม่แยกแล้วว่าเป็นวายโยธาต์พึงกำหนดสิ่งที่มีลาาักษณะกระด้างว่าเป็นปัทวีธาต์พึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะเอิบอาบว่าเป็นอาโปธาตพึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะพัดไปมาในส่วนทั้งหก ว่าเป็นวาโยธาดพึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะกระด้างในส่วนเหล่านั้นว่าเป็นปัตวีธาดพึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะซึมซาบว่าเป็นอาโปธาดพึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะอบอุ่ว่าเป็นเตโชธาดเมื่อพระโยคีนั้นกำหนดอยู่อย่างนี้ธาดทั้งหลายย่อมจะปรากฏ เมื่อเธอนึกฝ่ใจธาตุเหล่านั้นอยู่บ่อยๆอุปจารสมาธิย่อมเกิดตามในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็เมื่อพระโยคีใดเจริญอยู่แม้อย่างนี้กรรมฐานไม่สำเร็จพระโยคีนั้นต้องเจริญโดยแยกพร้อมทั้งลักษณะจะเจริญอย่างไรคือพึงกำหนดผมเป็นต้น ตามนัยยะที่กล่าวแล้วในนัยยะก่อนแล้วจึงกำหนดว่าสิ่งซึ่งมีลักษณะกระด้างในผมจัดเป็นปัทวีธาตุพึงกำหนดว่าสิ่งซึ่งมีลักษณะเออบาบในปัทวีธาตุนั่นเองจัดเป็นอาโปธาตุพึงกำหนดว่าสิ่งซึ่งมีลักษณะอบอุ่นจัดเป็นเตโชธาตุพึงกำหนดว่า สิ่งซึ่งมีลักษณะพัดไปมาจัดเป็นวาโยธาดพึงกำหนดธาตุสี่ในส่วนหนึ่งหนึ่งในบรรดาส่วนทั้งปวงด้วยประการชนนี้เมื่อพระโยคีนั้นกำหนดอยู่อย่างนี้ธาตุทั้งหลายย่อมจะปรากฏเมื่อเธอนึกไฝ่ใจถึงธาตุเหล่านั้นบ่อยๆ อ, อุปจารสมาธิย่อมเกิดตามในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหล การกำหนดธาตุโดยอาการต่างๆก็อีกนัยยะหนึ่งพึงกำหนดธาตุโดยอาการแม้เหล่านี้คือโดยอัถะแห่งคำโดยเป็นกองโดยแยกละเอียดโดยลักษณะเป็นต้นโดยสมุดฐานโดยเป็นสภาพต่างกันและเหมือนกันโดยอาการที่แยกและไม่แยกโดยเข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้โดยภายในภายนอกแปลกกัน โดยประมวลโดยปัดใ จ, จโดยไม่ใส่ใจกันและโดยแยกกันโดยปัดใ จ, จในอาการเหล่านั้นพระโยคีเมื่อใยใจโดยอัฏฐะแห่งคำพึงใยใจโดยอัฏฐะแห่งคำด้วยสามารถที่ต่างกันและเสมอกันอย่างนี้ว่าชื่อว่าดินเพราะแผ่ไปชื่อว่าน้าเพราะเอิบอาบให้ชุ่มอยู่หรือให้เต็มอยู่ ชื่อว่าไฟเพราะอบให้ร้อนชื่อว่าลมเพราะพัดให้ไหวแต่ว่าโดยไม่ต่างกันชื่อว่าธาตุเพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และเป็นที่อัดทุกข์ไวพึงทราบวินิจฉัยโดยเป็นกองดังต่อไปนี้ปัทวีธาตุนี้ใดท่านแสดงโดยอาการยี่สิบ โดยนัยยะเป็นต้นว่าผมขนและอาโปธาดนี้ใดท่านแสดงโดยอาการสิบสองโดยนัยยะเป็นต้นว่าดีเสเลตในธาตุเหล่านั้นที่มีสมมุติว่าผมได้เพราะประชุมธรรมะแปดประการคือสีกลิ่นรสโอชาและธาตุทั้งสี่ เพราะแยกสิ่งเหล่านั้นจากการเสียย่อมไม่มีสมมุติว่าผมเหตุนั้นคำว่าผมเป็นเพียงศัก์แต่ว่ากองแห่งธรรมะทั้งแปดคำว่าขนเป็นต้นก็เช่นกันอันหนึ่งในส่วนเหล่านี้ส่วนใดมีกรรมเป็นสมุดฐานส่วนนั้นจัดว่าเป็นกองแห่งธรรมะสิบ รวมทั้งชีวิตตินซีและภาวะเข้าด้วยทั้งยังนับว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุด้วยอานาจที่หนาขึ้นพึงใฝ่ใจโดยเป็นกองอย่างนี้พึงทราบวินิจฉัยในคำว่าโดยแยกละเอียดดังต่อไปนี้ก็ปัทวีธาตุที่ปนเป็นชนิดเล็กอย่างยิ่งเป็นดุจทุลีละเอียด อันประโยชีกำหนดอยู่โดยประมาณอย่างกลางในสรีระนี้พึงมีประมาณได้ทนานหนึ่งปัตวีธาตุนั้นอันอาโปธาตุประมาณเท่ากึ่งแต่ทนานนั้นยึดไว้แล้วอันเตโชธาตุเลี้ยงรักษาแล้วอันวายโยธาตุพัดให้เคลื่อนไหวแล้วจึงไม่เรียรายไม่กระจัดกระจายปัตวีธาตุนี้ เมื่อไม่เรียรายไม่กระจัดกระจายย่อมเข้าถึงการกำหนดเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นต้นเป็นอเนกและประกาศความผอมอ้วนสูงต่ำแข็งแรงและอ่อนแอเป็นต้นฝ่ายอาโปธาตในร่างกายนี้ถึงความเป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบตั้งอยู่ในดินอันไฟตามรักษาอันลมพัดให้เคลื่อนไหวจึงไม่เรียรายกระจัดกระจาย เมื่อไม่เรียรายไม่กระจัดกระจายจึงแสดงอาการเออบ่มและเปลงปลังส่วนเตโชธาตุในร่างกายนี้มีอาการร้อนอ้าวมีลักษณะร้อนอ้าวสำหรับย่อยสิ่งที่รับประทานและสิ่งที่ดื่มเป็นต้นตั้งอยู่ในดินอันน้ำยึดไว้อันลมพัดให้เคลื่อนไหวย่อมย่างกายนี้ให้อบอุ่นและนำมาซึ่งวันนสมบัติแก่กายนั้น อันหนึ่งกายนี้อันเตโชาธาตุนั้นให้อบอุ่นแล้วย่อมไม่แสดงอาการเนา่าก็วาโยาธาตุในสรีระนี้สร้างไปตามอวัยวะน้อยใหญ่มีลักษณะเบ่งขึ้นและให้เคลื่อนไหวได้ตั้งอยู่ในดินอันน้ำยึดไว้อันไฟตามรักษาย่อมอย่างกายนี้ให้เคลื่อนไหวได้อันหนึ่งกายนี้ อันธาตลมนั้นอุ้มแล้วจึงไม่ส่วนเสไปตั้งอยู่ตรงตรงได้อาศัยวายโยธาตอื่นอีกพัดสม่ำเสมอแล้วย่อมแสดงวิหญาญดในอิรยาบทคือเดินยืนนั่งนอนย่อมคูเข้าเหยียดออกอย่างมือและเท้าให้เคลื่อนไหวได้ยนคือธาตุนี้เช่นเดียวกับรูปกลมมีมายา สำหรับล่อลวงชนพานโดยความเป็นหญิงและชายเป็นต้นเป็นไปอยู่ดังถแถลงมานี้พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยละเอียดดังบรรยายมานี้แหละพึงทราบวินิจฉัยในมาติกาว่าโดยลักษณะเป็นต้นดังต่อไปนี้พระโยคีนึกถึงธาตุทั้งสี่อย่างนี้ว่า ปัตวีธาต์มีลักษณะอย่างไรมีอะไรเป็นรถมีอะไรเป็นเครื่องปรากฏดังนี้แล้วพึงใส่ใจโดยลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ว่าปัตวีธาต์มีความแข่นแข็งเป็นลักษณะมีการตั้งอยู่เป็นรถมีการรับไว้เป็นเครื่องปรากฏอาโปธาต์มีความหลังไหลเป็นลักษณะมีการพอกพูนเป็นรถ มีการยึดไว้เป็นเครื่องปรากฏเตโชธาตมีความร้อนเป็นลนะักษณะมีการให้อบอุ่นเป็นรสมีการเพิ่มให้ถึงซึ่งความอ่อนนุ่มเป็นเครื่องปรากฏวายโยธาตมีการเคลื่อนไหวเป็นลนะักษณะมีการเบ่งขึ้นได้เป็นรสมีการยักย้ายเป็นเครื่องปรากฏรสในที่นี้สะกดด้วยรอเรือสอเสือ รถหรือรษะนะครับในมาติกาว่าโดยสมุดฐานพึงทราบวินิจฉัยว่าส่วนสี่สิบสองมีผมเป็นต้นเหล่านี้ใดท่านแสดงแล้วด้วยสามารถแสดงปัทวีธาตุเป็นต้นโดยพิสดารในส่วนเหล่านั้นส่วนสี่เหล่านี้อาหารใหม่อาหารเก่าหนองและมูด มีฤดูเป็นสมุดฐานแลส่วนสี่เหล่านี้คือน้ำตาเงือน้ำลายน้ำมูกมีฤดูและจิตเป็นสมุดฐานไฟซึ่งเป็นตัวย่อยอาหารที่บริโภคเป็นต้นมีกรรมเป็นสมุดฐานแลลมหายใจเข้าออกมีจิตเป็นสมุดฐานที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดมีสมุดฐานสี่ พึงไฝ่ใจโดยสมุทฐานด้วยอาการอย่างนี้ในมาติกาว่าโดยเป็นสภาพต่างกันและเหมือนกันพึงทราบวินิจฉัยว่าธาตุทั้งหมดต่างกันโดยลักษณะของตนเป็นต้นคือปัทวีธ า, า, รรานน ต, ากาาตุก็มีลักษณะรสและการปรากฏอันหนึ่งต่างหากอาโปธาตุเป็นต้นก็มีลักษณะรส และอาการปรากฏอีกส่วนหนึ่งต่างหากก็ธาตุเหล่านี้แม้จะเป็นสภาพต่างกันด้วยสามารถลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ก็ดีและด้วยสามารถแห่งสมุดฐานมีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นต้นก็ดียอมชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันด้วยสามารถเป็นรูปมหาภูตะหรือมหาพูดาธาตุธรรมะและเป็นของไมที่งเป็นต้นจริงอยู่ ทาตทุกอย่างชื่อว่าเป็นรูปเพราะไม่ลักษณะที่สุดโทมไปได้ชื่อว่ามหาพูต ร, รูปเพราะเหตุมีความปรากฏโดยความเป็นของใหญ่เป็นต้นก็ในคำว่ามีความปรากฏเป็นของใหญ่เป็นต้นอธิบายว่าก็ธาตุเหล่านี้ท่านเรียกว่ามหาพูดเพราะเหตุเหล่านี้คือเพราะความปรากฏเป็นของใหญ่เพราะเป็นสภาพเหมือนกับมหาพูด เพราะจำต้องบริหารมากเพราะมีวิกาลหรือวิการะมากและเพราะเป็นของมีจริงโดยความเป็นของใหญ่ในอาการเหล่านั้นคำว่าเพราะความปรากฏเป็นของใหญ่คือธาตุเหล่านี้เป็นธรรมชาติปรากฏเป็นของใหญ่ทั้งในสันดานที่ไม่มีใจครองทั้งในสันดานที่มีใจครองบรรดาสันดานทั้งสองเหล่านั้น ความเป็นของปรากฏเป็นของใหญ่แห่งมหาพูดเหล่านั้นในสันดานที่ไม่มีใจครองข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วแลในพุทธานุสตินิเทศโดยนัยเป็นต้นว่าแผ่นดินนี้ท่านคํานวณแล้วโดยกำหนดส่วนหนาได้เท่านี้คือสองแสนกับอีกสี่หมื่นโยธฝ่ายในสันดานที่มีใจครองเป็นสภาพปรากฏเป็นของใหญ่จริง ด้วยสามารถสรีระแห่งปลาเต่าเทวดาทานกอสูนเป็นต้นสมดังที่พระองค์งทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีอัตภาพยาวประมาณตั้งร้อยยนดดังนี้เป็นต้นธาตุสี่เป็นมหาพูดในมาติกาว่าเพราะเป็นสภาพเหมือนมหาพูด มีวินิจฉัยว่าก็ธาตุเหล่านี้ตัวเองเป็นของไม่เขียวเลยแต่แสดงอุปาทายรูปที่เขียวได้ตัวเองเป็นสภาพไม่เหลืองแต่แสดงอุปาทายรูปที่เหลืองได้ตัวเองเป็นสภาพไม่แดงแต่แสดงอุปาทายรูปที่แดงได้ตัวเองเป็นสภาพไม่ขาวเลยแต่แสดงอุปาทายรูปที่ขาวได้ เปรียบดุดนักเล่นกลแสดงน้ำซึ่งไม่ใช่แก้วมันีแท้ๆให้เป็นแก้วมันีได้แสดงก้อนดินซึ่งไม่ใช่ทองจริงๆให้เป็นทองได้และเหมือนอย่างตัวเองไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่นกก็แสดงเป็นยักษ์เป็นนกบ้างเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่ามหาพูดเพราะเป็นเหมือนกับมหาพูดคือนักเล่นกลอันหนึ่ง เปรียบดุดมหาพูดมียักษ์เป็นต้นเข้าสิ่งผู้ใดภายในภายนอกของผู้นั้นอันมหาพูดเหล่านั้นจะเข้าไปได้ก็หาไม่และมหาพูดเหล่านั้นจะมีสิ่งผู้นั้นตั้งอยู่ก็หาไม่ฉันใดแม้มหาพูดเหล่านั้นก็ฉันนั้นอันกันและกันย่อมเข้าไม่ได้เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ภายในภายนอกของกันและกันก็หาไม่ และมหาพูทธรูปเหล่านี้มิใช่จะไม่อาศัยกันและกันตั้งอยู่ก็หาไม่ฉันนั้นอีกอย่างหนึ่งธาตุชื่อว่าเป็นมหาพูดแม้เพราะเป็นธรรมชาติที่เสมอกับมหาพูดมียักษ์เป็นต้นโดยความเป็นฐานะที่ไม่ควรคิดอันหนึ่งเปรียบดุจมหาพูดกล่าวคือยักษินี ปกปิดภาวะอันน่ากลัวของตนไว้โดยการปลอมแปลงสีและสันฐานที่น่าพึงใจหลวงสัตว์ทั้งหลายชันใดแม้มหาภูต ร, รูปเหล่านี้ก็ฉันนั้นปกปิดลักษณะตามธรรมดาของตัวอันต่างด้วยอาการมีอาการที่ตนเป็นของแข็นแข็งเป็นต้นด้วยผิวพันธ์ที่น่าพึงใจด้วยสันธานแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ที่น่าพึงใจ และด้วยการกรีดกรายนิ้วมือนิ้วเท้าและยักคิ้วที่น่าพึงใจในสรีระหญิงและชายเป็นต้นลวงพานชนอยู่มีให้เห็นความเป็นจริงของตนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ามหาพูดแม้เพราะเป็นของเสมอกับมหาพูดคือนางยักษินีเพราะเป็นสภาพที่ลวงในคำว่า เพราะจำต้องบริหารมากมีอธิบายว่าเพราะเป็นสิ่งที่จำต้องรักษาด้วยปัจจัยเป็นอันมากจริงอยู่มหาพูดเหล่านี้เป็นแล้วคือเป็นไปแล้วด้วยปัจจัยทั้งหลายมีเครื่องกินและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเป็นอันมากเพราะจำต้องนําเข้าไปทุกๆวันเหตุนั้นจึงชื่อว่ามหาพูดอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเป็นมหาพูด แม้เพราะเป็นพูดที่จำต้องบริหารมากในคำว่าเพราะมีวิการมากมีอธิบายว่าจริงอยู่มหาพูดเหล่านี้ที่เป็นอุปาทินกะก็ดีอนุปาทินกะก็ดีย่อมเป็นพูดมีวิการมากในพูดสองชนิดนั้นอาการที่วิการมากของอนุปาทินกะย่อมปรากฏในเมื่อกลับย่อยยับ ของอุปทินกะปรากฏในเวลาธาตุกำเริบความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อโลกไม่อยู่ด้วยความร้อนแห่งเปลวไฟเปลวไฟพุ่งขึ้นแต่ภาคพื้นลุกขึ้นจนกระทั่งพรหมโลกเมื่อใดโลกจากชิบหายด้วยน้ำอันกำเริบแล้วเมื่อนั้นจักรวาลประมาณแสนโกดหนึ่งจะละลายชั่วประเดียวเมื่อใดโลกจากชิบหายด้วยธาตุลมกำเริบ เมื่อนั้นจักรวาลประมาณแสนโกรธหนึ่งจากวอดวายชั่วประเดียวกายถูกงูปากไม้กัดย่อมแข็งกระด้างชันใดเพราะปัทวีธาตุกำเริบกายนั้นก็เป็นดังอยู่ในปากงูปากไม้ฉันนั้นกายถูกงูปากเน่ากัดย่อมเน่าเปื่อยฉันใดเพราะอาโปธาตุกำเริบกายนั้นก็เป็นดังอยู่ในปากงูปากเน่าฉันนั้น กายถูกงูปากไฟกัดย่อมร้อนกลุ้มฉันใดเพราะเตโชาธาตุกำเริบกายนั้นก็เป็นดังอยู่ในปากงูปากไฟฉันนั้นกายถูกงูปากสตรากัดย่อมขาดไปฉันใดเพราะวายโยธาตุกำเริบกายนั้นก็เป็นดังอยู่ในปากงูปากสตราฉันนั้นพูดมีวิการมากดังนี้เหตุนั้น จึงชื่อว่ามาหาพูดในคำว่าเพราะเป็นของมีอยู่โดยความเป็นของใหญ่มีอธิบายว่าก็พูดเหล่านี้ชื่อว่าเป็นของใหญ่เพราะจำต้องประครับประคองด้วยความพยายามอย่างใหญ่และชื่อว่ามีจริงเพราะมีอยู่ตรงตงเพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ามหาพูดเพราะเป็นของมีจริงโดยความเป็นของใหญ่ธาตุเหล่านี้แม้ทั้งหมดชื่อว่าเป็นมหาพูดเพราะเหตุมีความเป็นของปรากฏโดยความเป็นของใหญ่เป็นต้นอย่างไรก็ตามธาตุทุกอย่างไม่ล่วงลักษณะธาตุไปได้เพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนและเพราะเป็นฐานแห่งทุกและเพราะอดทุกไว และชื่อว่าธรรมะเพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนและเข้าไปทรงอยู่ได้ชั่วขณะอันสมควรแก่ตนชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอัตถาว่าสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอัตถะว่าน่าพรั่นพรึงชื่อว่ามิใช่ตนเพราะอัตถว่าไม่มีสาระตามนัยนี้แม้ท่าทุกอย่าง ชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกันด้วยสามารถที่เป็นรูปเป็นมหาพูดเป็นเหตุเป็นธรรมะและเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นต้นประโยคีพึงใฝ่ใจโดยต่างกันและเหมือนกันโดยอาการอย่างนี้ในข้อมาติกาว่าโดยอาการที่แยกจากกันและไม่แยกพึงทราบวินิจฉัยว่า ถ้าเหล่านี้ทั้งหมดพอเกิดร่วมกันเท่านั้นก็ไม่แยกกันตามส่วนแม้ในกาลาปะแปดล้วนเป็นต้นซึ่งมีในที่สุดแห่งกาลาปะทั้งหมดเฉพาะอันหนึ่งหนึ่งแต่ชื่อว่าแยกจากกันโดยลักษณะพระโยคีพึงไฝ่ใจโดยอาการที่แยกจากกันและไม่แยกจากกันโดยอาการอย่างนี้สำหรับคำว่ากาลาปะ เป็นหน่วยของาสารที่เล็กที่สุดซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังคงครอบคลุมไม่ถึงขณะที่กลาปะรวมตัวกันคือขณะที่ชีวิตมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นพระพุทธองค์กล่าวว่าขณะที่มนุษย์กระพริบตาครั้งหนึ่งจะมีกลาปะเกิดขึ้นละดับไปเป็นจำนวนถึงแสนล้านครั้งกลาปะเหล่านี้จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์จะรู้สึกเหมือนมีกระแสพลังงานไหลเวียนอยู่ในร่างกายในข้อมัติกาว่าโดยเข้ากันได้และไม่ได้มีวินิจฉัยว่าในบรรดาธาตุเหล่านี้แม้จะไม่แยกจากกันอย่างอธิบายมาแล้วก็ดีธาตุสองตอนต้นชื่อว่าเป็นสภาคคือเข้ากันได้ เพราะเป็นของหนักเหมือนกันท่าตอนหลังก็จัดเป็นสภาพกันเหมือนกันเพราะเป็นของเบาแต่ท่าตอนต้นกับท่าตอนหลังและท่าตอนหลังกับท่าตอนต้นจัดเป็นวิสภาพกันคือเข้ากันไม่ได้เพราะข้างฝ่ายหนึ่งหนักฝ่ายหนึ่งเบาพระโยคีพึงใฝ่ใจโดยเข้ากันได้และไม่ได้โดยอาการอย่างนี้ ในข้อมาติกาว่าโดยภายในและภายนอกแปลกกันพึงทราบวินิจฉัยว่าธาตุภายในย่อมเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวัตถุและวิญยัตและอินทรีย์เป็นสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอิริยาบถมีสมุดฐานสี่ธาตุภายนอกมีประการผิดตรงกันข้ามจากที่กล่าวแล้ว ไรยโยคีพึงฝ่ายใจโดยาธาตุภายในและภายนอกแปลกกันดังบรรยายมานี้ในข้อมาติกาว่าโดยประมวลพึงทราบวินิจฉัยว่าปัทวีทาธาตุมีกรรมเป็นสมุดฐานรวมเป็นอันเดียวกันกับาธาตุนอกจากนี้ซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานเพราะไม่มีความต่างกันโดยสมุดฐาน ที่มีจิตเป็นต้นเป็นสมุดฐานรวมเป็นอันเดียวกันกับธาตุซึ่งมีจิตเป็นต้นเป็นสมุดฐานดุดกันพระโยคีพึงใฝ่ใจโดยประมวลดังบรรยายมานี้ในข้อมาติกาว่าโดยปัจจัยพึงทราบวินิจฉัยว่า ปัทวีธาตุอันน้ำยึดไวอันไฟตามรักษาไว้อันลมให้เคลื่อนไหวเป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งมหาพูดทั้งสามออาโปธาตุตั้งอาศัยดินอันไฟตามรักษาอันลมให้เคลื่อนไหวเป็นปัจจัยเป็นเครื่องยึดแห่งมหาพูดทั้งสามเตโชธาตุตั้งอาศัยดินอันน้ำยึดไวอันลมให้เคลื่อนไหว เป็นปัจจัยเป็นเครื่องอบอุ่นแห่งมหาพูดทั้งสามวายโยธา ต, ตั้งอาศัยดินอันน้ายึดไว้อันไฟให้อบอุ่นเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวแห่งมหาพูดทั้งสามพระโยคีพึงใฟ่ใจโดยเป็นปัจจัยดังบรรยายมานี้ในข้อมติกาว่า โดยไม่ใส่ใจกันพึงทราบวินิจฉัยว่าในบรรดาธาตุทั้งสี่นี้ปัทวีธาตุย่อมไม่รู้สึกว่าเราคือปัทวีธาตุหรือว่าเราเป็นที่ตั้งเป็นปัจจัยแห่งมหาพูดทั้งสามแม้ธาตุสามนอกนี้ก็ไม่รู้สึกว่าปัทวีธาตุเป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งของพวกเราในธาตุทั้งปวงมีนัยยะเช่นเดียวกันนี้ พระโยคียพึงไฝ่ใจโดยไม่ใส่ใจกันดังบรรยายมานี้ในข้อมาติกาว่าโดยแยกกันโดยปัจจัยพึงทราบวินิจฉัยว่าก็ปัจจัยของาธาตุมีสี่คือกรรมจิตอาหารหรือดูในปัจจัยทั้งสี่นั้นกรรมนั่นแหละ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่มีกรรมเป็นส ม, มุดฐาน ม, governor, มิใช่ปัจจัยอื่นมีจิตเป็นต้นส่วนจิตเป็นต้นย่อมเป็นปัจจัยแม้แห่งธาตุทั้งหลายที่มีจิตเป็นต้นเป็นสมุดฐานมิใช่ปัจจัยนอกนี้อันหนึ่งกรรมย่อมเป็นตัวชนกปัจจัยคือปัจจัยที่บันดาลให้เกิดแห่งธาตุทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุดฐาน เป็นอุปบัตินิสยปปจจัยโดยอ้อมแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือจิตย่อมเป็นตัวชนกปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุดฐานเป็นปัจฉาชาตปัจจัยอัิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลืออาหารย่อมเป็นตัวชนกปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่มีอาหารเป็นสมุดฐานเป็นอาหารปัจจัย อ, movement, อธิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือฤดูย่อมเป็ crackers, นต mmm. ัวชนกปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่มีฤดูเป็นสมุดฐานเป็นอธิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือมหาพูดมีกรรมเป็นสมุดฐาน ย่อมเป็นปัจจัยของมหาพูธทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุดฐานบ้างที่มีจิตเป็นต้นเป็นสมุดฐานบ้างมหาพูธที่มีจิตเป็นสมุดฐานก็ดีที่มีอาหารเป็นสมุดฐานก็ดีที่มีฤดูเป็นสมุดฐานก็ดีย่อมเป็นปัจจัยแห่งมหาพูธทั้งหลายที่มีฤดูเป็นสมุดฐานที่มีกรรมเป็นต้นเป็นสมุดฐานบ้างเช่นกัน ในบรรดาปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้นปัทวีธาตุมีกรรมเป็นสมุดฐานย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุนอกนี้ที่มีกรรมเป็นสมุดฐานด้วยสามารถสหาชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอัิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยแห่งธาตุนอกนี้และด้วยสามารถเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งธาตุนอกนี้ แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถเป็นตัวบันดาลให้เกิดคือย่อมเป็นปัจจัยแห่งมหาพูดซึ่งมีสันตติสามนอกนี้ด้วยสามารถเป็นนิสยปัจจัยอธิปัจจัยและอวิคตตปัจจัยมิใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถเป็นที่พมนักและมิใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถชนกปัจจัย ในจำนวนธาตุเหล่านี้ฝ่ายอาโปธาตุย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุสามนอกนี้ด้วยสหาชาตปัจจัยเป็นต้นและด้วยสามารถเป็นเครื่องยึดไว้มิใช่ด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัยคือเป็นปัจจัยแห่งธาตุสามนอกนี้ซึ่งมีสัน ต, ติสามด้วยสามารถเป็นนิสยะปัจจัยอธิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยมิใช่เป็นปัจจัยด้วยสา ม, มารถเป็นเครื่องยึดไว้ มิใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถเป็นตัวชนกปัจจัยในจำนวนพวกธาตุเหล่านี้ส่วนเตโชธาตย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุสามนอกนี้ด้วยสามารถเป็นสหชาตปัจจัยเป็นต้นและด้วยสามารถเป็นเครื่องให้อบอุ่นมิใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัยคือย่อมเป็นปัจจัยแห่งมหาพูตนอกนี้ซึ่งมีสันตติสาม ด้วยสามารถเป็นนิสยปัจจัยอัติปัจจัยและอวิคตะปัจจัยเท่านั้นมิใช่ด้วยสามารถเป็นเครื่องให้อบอุ่นมิใช่ด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัยในจําพวกธาตุเหล่านี้ส่วนวายโายธาต์ย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุสามนอกนี้ด้วยสามารถสหาชาตปัจจัยเป็นต้นและด้วยสามารถเป็นเหตุเคลื่อนไหว มิใช่ด้วยสามารถชนกปัจจัยคือเป็นปัจจัยแห่งมหาพูดซึ่งมีสันตติสามนอกนี้ด้วยสามารถเป็นนิสยะปัจจัยอธิปัจจัยและวิคตาปัจจัยเท่านั้นมิใช่ด้วยสามารถเป็นเหตุเคลื่อนไหวมิใช่ด้วยสามารถชนกปั จ, จัยแม้ในปัทธวีธาตุเป็นต้นซึ่งมีจิตและอาหารและฤดูเป็นต้นเป็นสมุดฐาน ก็มีในยะนี้เหมือนกันก็แลบันดาธาตุเหล่านี้ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยมีสหาชาติปัจจัยเป็นต้นดังพันนามานี้ธาตุสามอาศัยธาตุหนึ่งและธาตุหนึ่งอาศัยธาตุสามย่อมเป็นไปโดยอาการสี่อย่างธาตุสองอาศัยธาตุสอง ย่อมเป็นไปโดยอาการหกอย่างจริงอยู่ในปัทวีธาตุเป็นต้นธาตุสามอาศัยธาตุหนึ่งย่อมเป็นไปโดยอาการสี่อย่างอย่างนี้คือธาตุสามอาศัยธาตุหนึ่งอันหนึ่งในปัทวีธาตุเป็นต้นธาตุหนึ่งอาศัยธาตุสามธาตุนอกนี้ตามในยะนี้ธาตุอันเดียวอาศัยธาตุอื่นสาม จึงเป็นไปโด ย, โ อ, ột, ดยอาการสี่อย่างอันหนึ่งท่าสองข้างปลายอาศัย ouais ท Chinese, half, ่ Son, three, าสองข้างต้นและท่าสองข้างต้นอาศัยท่าสองข้างปลายท่าที่สองและที่สี่อาศัยท่าที่หนึ่งแล ะ, ะ P ที่สามท่าที่หนึ่งที่สามอาศัยท่าที่สองและที่สี่ท่าที่สองที่สามอาศัยท่าที่หนึ่งและที่สี่และท่าที่หนึ่งและท่าที่สี่ อาศัยธาตุที่สองและที่สามตามในยะนี้ธาตุสองอาศัยธาตุสองย่อมเป็นไปโดยอาการหกอย่างในธาตุเหล่านั้นปัทวีธาตุเป็นปัจจัยแห่งการยันในเวลาก้าวไปและถอยกลับเป็นต้นปัทวีธาตุนั่นแหละสมกับอาโปธาตุอันอาโปธาตุซึมทราบแล้วย่อมเป็นปัจจัยแห่งการให้ดารงมั่น ฝ่าอาโปธาตประสมกับปฐวีธาต์ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอันมิให้กระจัดกระจายและเตโชธาตประสมกับวายโยธาต์ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอันยกขึ้นฝ่ายวายโยธาตประสมกับเตโชธาต์ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการเดินและวิ่งได้เร็วประโยคียพึงฝ่ใจโดยแยกกันโดยปัจจัยดังบรรยายมานี้ ก็แม้เมื่อประโยคีใฝ่ใจด้วยสามารถอัตถาวิเคราะห์เป็นต้นอย่างนี้ธาตุทั้งหลายย่อมปรากฏโดยเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งเมื่อท่านรำพึงและใฝ่ใจธาตุเหล่านั้นบ่อยๆอุปจารสมาธิย่อมเกิดตามในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหลอุปจารสมาธินั้นถึงความนับว่าจะตุธาตุววัฏฐานเพราะเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งยานที่กําหนดธาตุสี่ อานิสงการกำหนดธาตุสี่ก็แลพระโยคีผู้มันประกอบจตุธาตุว่าวัฏฐา น, นิใดย่ยอมอย่างลงสู่ความเป็นของเปล่าย่อมเพิกถอนความสำคัญหมายว่าสัตว์พระโยคีนั้นไม่ถึงความกำหนดแยกว่าเนื้อร้ายและยักษ์และผีเสื้อน้ำเป็นต้นเพราะเป็นผู้เพิกถอนสัตตสัญญาเสียได้ จึงเป็นผู้ทนต่อภัยและสิ่งที่น่าพึงกลัวทนต่อความยินดียินร้ายไม่ถึงความฟุ้งซ่านและความอึดอัดใจในเพราะอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาก็แลท่านย่อมเป็นผู้มีปัญญามากมีพระนิพพานเป็นที่สุดมิฉะนั้นก็เป็นผู้มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้านักปราด พึงซองเสพจตุธาตุว่าวัฏฐานที่พระโยคีผู้ประเสริฐเพียงดังสีหะเคยเล่นมาแล้วอันมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นนิเทินนิเทศแห่งการเจริญจตุธาตุว่าวัฏฐานยุติเพียงเท่านี้ก็ปัญหาอันข้าพเจ้าตั้งไว้แล้วโดยนัยะเป็นต้นว่าอะไรชื่อว่าสมาธิที่ชื่อว่าสมาธิ เพราอธิว่ากะไรดังนี้เพื่อแสดงความพิสดารแห่งสมาธิและนัยยะแห่งการเจริญในปัญหาเหล่านั้นบทว่าพึงเจริญอย่างไรนี้มีการพัฒนาความจบแล้วโดวยประการทั้งปวงด้วยอาการเพียงเท่านี้แลสมาธินั้นที่ท่านประสงค์ในที่นี้มีสองอย่างเท่านั้นคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ในสมาธิทั้งสองนั้นความมีอารมณ์แน่วแน่ในกรรมฐานทั้งสิบและในจิตเป็นบุรภาคแห่งอัปปนาชื่อว่าอุปจารสมาธิความที่จิตแน่วแน่แนในกรรมฐานที่เหลือชื่อว่าอัปปนาสมาธิสมาธิทั้งสองอย่างนั้นจัดว่าอันพระโยคีอบรมแล้วเพราะอบรมกรรมฐานเหล่านั้นเพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวบทนี้ว่าพึงเจริญอย่างไรนี้มีการพนานาความจบแล้วโดยประการทั้งปวงอา น, นิสงสมาธิภาวนาห้าอย่างแต่คำใดซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าอะไรเป็นอา น, นิสงแห่งสมาธิภาวนาจะแก้ในคำนั้น อา น, นิสงส์แห่งสมาธิภาวนามีห้าอย่างมีการอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นเป็นต้นอา น, นิสงสมาธิภาวนาประการที่หนึ่งจริงอย่างนั้นท่านเหล่าได้เป็นพระอรหันตตะขีนาศกเข้าสมาบัติแล้วมีจิตนแน่วแน่ย่อมเจริญสมาธิโดยหมายจะอยู่สบายทั้งวันสมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นของท่านเหล่านั้น มีการอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นเป็นอานิสงส์เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าจุนทะธรรมะเหล่านี้ตถาคตไม่เรียกว่าเป็นธรรมะเครื่องขัดเกลว์ในวินัยของพระอริยะธรรมะเหล่านี้ตถาคตเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นในวินัยของพระอริยะ อา น, นิสงส์ประการที่สองสมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นก็ดีสมาธิภาวนาเป็นแต่เฉียดเฉียดโดยนัยยะแห่งความบรรลุหลอดโปร่งในที่คับแคบก็ดีแห่งปุถุชนผู้เสค่ะผู้ออกจากสมาบัติแล้วเจริญโดยหมายใจว่าจักเห็นแจ้งด้วยจิตอันมั่นคงชื่อว่ามีวิปัสสนาเป็นอา น, นิสงส์เพราะเป็นปัฏฐานแห่งวิปัสสนา เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเจริญสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยว่าภิกษุผู้มีจิตมั่นคงแล้วยอมรู้ชัดตามเป็นจริงอั น, นิสงส์ประการที่สามฝ่ายท่านเหล่าใดอย่างสมาบัติแปดให้เกิดแล้ว เข้าฌานมีอภิญญาเป็นบาทออกจากสมาบัติแล้วมุ่งหมายอภิญญาทั้งหลายอินัยะดังกล่าวแล้วว่าแม้คนเดียวแปลงเป็นสหายหลายคนได้ดังนี้บำเพ็ญให้เกิดอยู่สมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นของท่านเหล่านั้นในเมื่อเหตุให้เกิดมีอยู่จัดว่ามีอภิญญาเป็นอนิสง์เพราะเป็นปัจจัยฐานแห่งอภิญญาเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุนั้นยอมน้อมนำจิตเพื่อทำให้แจ้งด้วยอภิญญาซึ่งธรรมะอันควรทำให้แจ้งด้วยอภิญญาใดๆยอมถึงความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมะนั้นๆเทียวในเมื่อเหตุให้เกิดมีอยู่อา น, นิสงส์ประการที่สี่ ปุถุชนเหล่าใดมีฌานไม่เสื่อมปรารถนาการเข้าถึงพรหมโลกโดยหมายใจว่าจะเกิดในพรหมโลกหรือไม่ปรารถนาก็ตามไม่เสื่อมจากสมาธิสมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นของปุถุชนเหล่านั้นมีพบวิเศษเป็นอนิสง์เพราะนำมาซึ่งพบวิเศษเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าถามว่า ผู้ที่เจริญปฐมฌานยังเป็นกามาพจรย่อมเกิดในที่ไหนแกว่าย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาพวกพรหมปาริสัทชาดังนี้เป็นต้นอันหนึ่งแม้สมาธิภาวนาเฉียดยังนำมาซึ่งสุขคติพบวิเศษคือกามาผจรสวรรค์หกชั้นทีเดียว อ น, นิสงส์งประการที่ห้าส่วนท่านเหล่าใดเป็นพระอริยะเจริญสมาธิด้วยดำริว่ารอจากยังสมาบัติแปดให้บังเกิดแล้วเข้านิโรธาสมาบัติเป็นผู้ไม่มีความนึกคิดตลอดเจ็ดวันบรรลุนิโรธนิพพานแล้วจกอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นสมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นของท่านเหล่านั้น มีนิโรธเป็นอานิสงส์เพราะเหตุนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวไว้ว่าปัญญาในการอบรมวสีด้วยยานจาริยาสิบหกและสมาธิจริยาหกเป็นฌานในนิโร ธ, ธัสมาบัติอนิสงส์แห่งสมาธิภาวนามีห้าอย่างมีการอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นเป็นต้น ดังบรรยายมานี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่พึงประมาทในการประกอบสมาธิภาวนาอันเป็นเครื่องชำระมนตินคือกิเลสมีอานิสงส์เป็นอเนกประการเทินก็ด้วยบัญหารเพียงเท่านี้เป็นอันแสดงหมดจดแล้วแม้ซึ่งสมาธิในคำภีวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าแสดงแล้วด้วยธรรมะอันเป็นมุก ค, คือศีลสมาธิปัญญา แห่งพระคาถานี้ว่านรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นในศีลดังนี้เป็นต้นปริเชต ท, ที่สิบเอ็ดชื่อว่าสมาธินิเทศในปรกรณ์วิเศษวิสุทธิมัคอันข้าพเจ้ารจนาไว้เพื่อพยุงความปราโมทแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้จบปริเชต ท, ที่สิบเอ็ดคำพีวิสุทธิมัคพระพุทธโคสเรรถระรจนา